พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่22เมษายน2556ในงานครบรอบวันเกิดหลวงพ่อบุญเลิศมีชื่อเรื่องว่าการหาธรรมก็คล้ายกับการหาเงิน คณะสัตยาญาติโยมช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟังพระธรรมเทศนาขอให้พวกเราอยู่ในความสงบผู้ที่ถ่ายภาพที่มีแฝดทานหลวงพ่อตั้งน้โมตัดสัและก็ขอให้หยุดในการถ่ายภาพและก็ผู้ใดมีมีโทรศัพท์ที่เสียงแปล ก, ปลกเสียงดัง แล้วก็ให้จิดไปก่อนในช่วงนี้ที่อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนะแต่หาว่าผู้ใดมีโทรศัพท์ดังขึ้นเวลาจารจะพูดโทรศัพท์ก็ให้ไปพูดกันข้างนอกไม่ควรจะมาพูดแข่งหลวงพ่อขณะที่แสดงธรรมเพราะว่าการแสดงธรรมของหลวงพ่อไม่ใช่ว่าออกมาจากความจำ ไม่ใช่เหมือนเกิดตั้งนโมและอิติปิโสออกมาจากใจจริงเพราะนั้นเวลาจะกั่นกรองคำพูดออกมาแต่ละครั้งออกมาจากความรู้สึกเพราะนั้นเวลามีเสียงอะไรเข้ามากระทบความรู้สึกหรือสมาธิในจุดนั้นหายไปเพราะนั้นขอให้คณะทายาิโยม ท, ทุกทุกท่านให้รับทราบตามนี้ ไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวที่เป็นองค์แสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์พระกรรมฐานหลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตามหาบัวถ้าว่าท่านจะแสดงธรรมแล้วจะไม่มีเสียงรบควรให้ตั้งใจฟังแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานเวลาอย่างอื่นเรามีเยอะแยะที่เราจะต้องอทําการทํางานและพูดคุยกันแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมมีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นขอให้ พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบจักชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งนะและก็วันนี้เป็นวันทรบุญปฏิบัติธรรมบวชชีพรามณ์งานบาเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีพระครูจิตตะวรกุลหลวงพ่อบุญเลิศจุจิตโตเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยศ ณวัดอรัญกวาสีอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายาปีนี้รับว่าเป็นปีพี่น้องประชาชนาชาวอำเภอท่าบอ่อน้องคายของเราจังหวัดพึงการของเราท่านก็เป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งแต่ใ น, นท่านก็ได้กเกษียณอายุอายุ80กว่ า, าตามปกติอายุของพระ80กว่านี่นคือกเกษียณแต่นี้ก็ได้อาจารย์ พ่อครูของเราเได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเองก็ยินดีอนุโมทนากับหลวงพ่อของเราหลวงพ่อบุญเลิศของเราเพราะท่านปีน้ำใจอัธยาศัยกับหมู่พเพื่อนกับทูบอาจารย์ไปนสถานที่ใดท่านก็เห็นท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่า นับว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาองค์หนึ่งแล้วก็ท่านก็คงอายุไม่มากเท่าไหร่65ปีหลวงพ่อว่าท่านก็คงจะได้ปฏิบัติศาสนากิจดูแลพี่น้องประชาชนคณะสงฆ์จังหวัดน้องคายไปนานเท่านานแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ตั้งความหวังและตั้งใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ท่านก็คงจะคิดว่าในเมื่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ผ่านมาเรื่องราวอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่เหตุการปกครองไม่รู้ว่าจังหวัดน้องคายอุดรจังหวัดเลยที่ไห น, ไหนที่ปฏิบัติสาสนิกิจที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่รู้จังหวัดไหนในประเทศท่านก็คงจะได้รับการเรียนรู้การศึกษา เมื่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดขึ้นมาเพราะว่าท่านเป็นพระออกไปสู่ชุมชนและสังคมกว้างขวางพอสมควรหลวงพ่อของเราเพราะนั้นเมื่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อมั่นใจว่าท่านจะคงจะใช้ความสามารถหรือจิปัญญาของท่านความสามารถของท่านความรอบรู้ของท่านเอามาปกครองคณะสิทธิอนุสิทธิ พระสงฆ์ในใต้ปกครองของท่านหรือพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องคงจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานานเท่านา น, านวันนี้ก็ครบรอบวันหนึ่งท่านอายุครบ65ปีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบคณะสงฆ์ก็ดูดูแล้วก็ไม่ต่างก่า200หลุมพออาจจะ200กว่า ที่มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้เมื่อจเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเขาจะได้แสดงธรรมให้คณะจัทตาญาติโยมเพื่อได้ฟังเพื่อการศึกษาเพราะการฟังในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าการฟังเป็นหัวใจในการศึกษาหรือว่าปริยัติ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 จิตใจของผู้นั้นก็จะได้รับความพองใสสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฝังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว นำจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาธรรมมากันกรองในธรรมก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะปัญญาผ่านความสงบมาแล้วนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฝังตั้งแต่ว่าอนุสง์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างแล้วก็สูตรตามมายะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาและท่านก็ตั้งเป็นพระบาลีขึ้นว่า ส, สุสังลัสเตปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเนี่และขอให้พระสัทธาญาติโยมทุกมูเหล่าตั้งใจฟังตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชริยถาและแสดงธรรมต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักกตะวาบุตรรัตนังธัมมารัตนังสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังโสธินานสันตุปัตถวา สัพพะทุขาสัพพะพยะสัพพโลคามูปะเมนตุเตตีติวันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้พูดกันทั้งวันว่าเป็นวันครบรอบอายุ65ปีท่านอาจารย์พ่อครูเจ้าคณะจังหวัดหนองคายของพวกเราท่านก็เพิ่งได้รับยศ ได้รับพัฒปีนี้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์คณะสัตธาญาติโยมก็มาแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ปกครองในจังหวัดหนองคายของพวกเราเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้มาทำแสดงออกถึงน้ำใจ แสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะต่อท่านพระครูหรือหลวงพ่อของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ทําแต่คุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีเป็นเบื้องตน้นถ้าหากว่าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีเป็นเบื้องต้นแล้วทุกอย่างก็จะดีไปตามทั้งหมด เหมือนกับพวกเร า, เาทำดีก็เหมือนกับเงาตามตัวหรือว่าเหมือนกับเกวียนไปตามเท้าของโขกนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราคิดดีการกระทำของเราก็จะดีไปด้วยถ้ า, าและการพูดก็จะดีไปด้วยเพราะอะไรเพราะเราคิดดี เพราะนั้นในหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธองค์ของพวกเราพระพุทธเจ้าของพวกเราที่ท่านบําเพ็ญตัดสรุปในที่ว่าพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นั้นพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษา จะต้องได้ศึกษาจะต้องได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันนั้นท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้สามอย่างคือปุกเพนิวาสานุสติญาณล้ำนึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตายานรู้จักการจุติการเกิดการตายของสัพพสัตว์อาสาวกญยาณย ยานอย่างรู้ว่าพระพุทองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยหรือใจของพระองค์ใจของพระองค์เป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วพระองค์จะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่นำมาเกิดนั้นพระองค์ชำระออกจากพระไทยหรือใจของพระองค์แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ธรรมสอย่างในวันเดือนหกเพน เพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นเราก็ระวัดตัดสรู้แต่วิธีการที่จะตัดสรู้นั้นพระพุทธองค์ทําอย่างไร อ, อันนี้พระพุทธองค์ก็ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเป็นเวลาถึง6ปีที่พระพองค์ได้ทรงไปอยู่ในป่าตกจุดนั้นาการที่ลองผิดลองถูกเหมือนกับท้าเป็นการเกษตรท่านก็เหมือนกับ ทดลองเกษตรปลูกข้าวหรือปลูกเพื่อนชนิดไหนที่ต้องการผลให้มากที่สุดท่านก็ทดลองเขาก็ทดลองในวิธีการปลูกนั้ น, น, นแต่ใ น, นพระพุธองท่านไปทดสอบทดลองเรื่องจิตวิญญาณทำไมคนเราจึงเกิดทำไมจึงตายทำไมจึงแก่ทำไมจึงเจ็บแล้วทำไมจึงตายตายแล้วไปที่ไหนนี่แหละ อนนัีพระพุทธองค์ไปพ้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดทีแร ก, กมีการทรมานหรือว่าเป็นการบำเพ็ญทางทุกขบกิริยาคือบำเพ็ญให้ร่างกายลำบากกดพักราหารถึง49วันแล้วก็ทำได้หลายอย่างไม่ประมมสมโพธ์เพราะี่สุดไม่ใช่หหนถาพระองค์ก็ได้ย้อนกลับมามาบำเพ็ญทางด้านจิตใจ วันที่ท่านได้ตัดสู้นั้นท่านวันเดือนหเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัจจดงพระอาทิตย์ยังไม่อัจจดงพระองค์นั่งขัดสมาธิหันพระพักไปทางทิศตะวันออกเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้านี่ยนะฟังเอาไว้นะทีนี่นะวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นั้นพระพุทธเจ้าทําอย่างไร ท่านบอกว่าทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าออกรับพระไทยใจพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเมื่อเกิดยานรัศนะพระองค์ย้อนลํำลึกถึงชาติผลหลังจะว่าปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้ นี่แหะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้ฟังเอาไว้ว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเพราะเหตุอะไรเพราะยืนยันแหละเพราะว่าปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าคนเกิดมาชาติเดียวและจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไงอันนี้พระพุทธองค์ล้ำลึกชาติผลหลังมากมายเพราะนั้นพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญ พอให้พวกเราฟังเอาไว้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองดูคนอื่นมองดูสัพพสัตว์เรว่าจุตูปะปะตาตยานการจุดจุติของสรพพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็พระองค์ก็รู้เลยว่ามาเกิดที่นี่มาจากไห่มาจากไหนมาได้อย่างไรกรรมอะไรที่เขามาเกิดที่นี่ทำไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันทำไมบางคนโง่ทาไมบางคนก็ฉลาดบางคนก็สวยงามบางคนก็ขี้ร้ายขี้เล บางคนก็พิโกงพิการบางคนก็เป็นบ้าใบาิก็มีมากทั้งที่เกิดมาเหมือนมนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็ย้อนไปดูอีกอว่าความเป็นมาของคนคนนี้เป็นมาด้วยอะไรพระ อ, องค์ก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมกรรมคือการกระทำํำถ้าว่าคนไหนทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั่นก็จะให้ผลถ้าคนไหนทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลไปสู่ความสุขความเจริญ มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา เ, าเ็จสวยงดงามามีบุญหนักสักใหญ่อะไรก็คล่องแข่วอันไหนก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดเพราะบุญนำมาเกิดแต่ถ้าว่าบาปนำมาเกิดแล้วเายาว์ยายาพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าอากตังดุกตังเสยโยปัชชาตปฏิดุกตัง กรรมชั่วอย่าทํำเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะติดตามเราให้ผลเมื่อภายหลังเราจะได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นให้ทําแต่กรรมดีนี่แหละอันนี้คือถึงเทื่องคืนพระองค์มองดูสรรพสัตว์กำมองและเขียนได้ว่าเกินการเกิดการตายของสรรพสัตว์นั้นเป็นเพราะกับกรรมคือการกระทําในอดีตของแต่ละท่านแต่ละวิญญาณแต่ละคน อันนี้พอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาท่านพระองค์ก็มองดูใจหรือพัทธ์ยของพระองค์ทําไมใจดวงนี้มาจากไหนทําไมจึงมาเกิดวกวนเวียนเวียนตายเวียนเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้เพราะอะไรอะไรเป็นเชื้อท่านก็มองดูว่ากิเลสเอกเ็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ โลภโกรดหลงเขาอยู่ในกิจใจหรือพระไถยของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ตะปะธรรมคือสิลสมาทิปัญญาคือมักแปดการกรองไตรตองเผาเป็นตปะเผาเกิเลสกิเลสเหล่านั้นก็กระเด็นกระดอนขาดหายไปจากพระไัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระ อ, องค์ก็บอกว่าใจของเราหมดกิเลสแล้ว สิ่งที่จะทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอีกแล้วนี่แหละอันนี้พระองค์ก็ได้ตัดธุรุในวันเดือนหกเป็นนั้นแต่นี้มาพูดถึงแนวแถวที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้แต่นี้มาถึงต้นตระกูลของพวกเราต้นตระกูลของพวกเราในยุคนี้สมัยนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน หลวงปู่มั่นท่านเคยมาจำพรรษาที่นี่และก็ครูบาอาจารย์ เ, เกือบทุกพระองค์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เคยมาจำพรรษาที่วัดอรันของพวกเราอําเภอท่าบ่อของพวกเราตามหนังสือประวัติของท่านวัดแห่ง น, นี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาบําเพ็ญอยู่จุดนี้ ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยเก่าท่านก็คงจะเยียบย่ำเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในที่ดินแห่งนี้มากมายทีเดียวเพราะนั้นถือว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินเป็นชลิตรเป็นมงคลสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญในวันนี้ก็ลํำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร ท่านก็บอกว่ า, เ, าเพระพระเจ้านั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่หลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกกําหนดอย่างนั้นมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันหลงเนื่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้สำทับด้วยพุทธโธด้วยนะท่านจึงเอาพุทโธเข้าด้วยเรีหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออก เพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านใช้กรรมฐาน40อย่างนั้นท่านใช้ควบกันหนึ่งกับสองหนึ่งก็คืออะไรคือลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พร้อมบริกรรมพุทธโถใครต่อพุทโถกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละหลวงปู่มั่นท่านนำมาประยุกต์ใช้จากนั้นท่านก็สอนสิทธิ์ญาณสิทธิ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายตระกูลของพวกเรา ถ้าท่านสอนท่านก็จะบอกว่าให้ภาวนาพุทธโธเนอเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพรณะจต่าญาติโยมทุกโมเหล่าก่อนที่จะหลับนอนไหว้พระส ว, วดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งกัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ที่พวกบางคนบางท่านก็ปวดเขา่าได้ เ, เคยพ่าตัดเข่ามาแล้วะจะนั่งขัดสมาธิไม่ได้น้องนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรได้น ะ, ะแต่ว่าให้นั่ง บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านบอกกล่าวแนะนำนี่แหละอันนี้คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่เพาว่าพวกเราไม่เคยภาวนาไม่เคยยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจใจไม่มีหลักใจว้าเหวอ้างว่างเงียบเหมาซึมเศร้าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราแก่เท่าชะลาะพวกเราก็ไม่มี หลักยึดทางด้านจิตใจท่นนี้ก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นคือมีแต่ว้าเวมีแต่คิดถึงมีแต่ส่งจิตจงใจออกไปข้างนอกไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราภาวนาทำจิตใจให้สงบเก็บ ท, ทำจิตใจให้เป็นหนึ่งตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพวกเราใจของเราจะมีหลักเมื่อใจมีหลักแล้วจิตใจมั่นคง พึ่งพาอาศัยตนเองได้อัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาถโถปโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเองนี่แหละคนที่ภาวนาจะพึ่งตัวของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้พึ่งพยายามพึ่งตนเองตามที่แนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราน่าจะตายใจได้ น่าจะยอมรับได้น่าจะมอบกายถวายชีวิตในธรรมเทศนาหรือทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะในยุคนี้สมัยนี้การแนะนําสั่งสอนมีมากหลากหลายถ้าพวกเราศึกษาแล้วบางคนก็พอเข้ามาบวชแล้วกอ็อยากจะศึกษาเรียนรู้หลายทางหลายคณ า, า, า, าจาราย์หลายสานักพอไปศึกษาองค์หนึ่งทอตัวเองก็ไม่รู้ ว่าจุดใหญ่จุดหมายปลายทางของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนอย่างไรพวกเราก็ไม่รู้อยากจะว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานอยากจะพ้นทุกข์ก็จะไปศึกษาให้หลายๆสานักดูไปสํานักหนึ่งท่านก็สอนอย่างหนึ่งไปสํานักหนึ่งท่านก็สอนอย่างหนึ่งผลในสุดตัวเองก็เลยไม่รู้จะยึดอะไรเพราะตัวเองไม่มีหลักไม่ได้ศึกษา เ, เป็นพื้นฐานมาก่อนเพราะฉะนั้น พอที่สุดก็เลยศึกษาเข้าไปก็จิ้งงงใหญ่สิพอโยงเลยเพอ้เพอเจะเป็นบ้าเอาสิตาแดงเข้าสิเพราะมันปูงฟุ้งออกไปข้างนอกไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักนี่แหละมีเคยมีเคยมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อเอ้ยเรามันไม่ไม่รู้จักถ้าเรารู้จักแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมให้ศึกษาจุดนี้นะให้ศึกษาว่ากายเวทนาจิตธรรมนะ แต่ถ้าเราเราจับประเด็นหลักสีนี้ได้แล้วเราจะเราจะยึดอะไรเป็นหลักท่นะถ้าท่านสอนครูบาอาจารย์อย่าไปประมาทท่านเพราะครูบาอาจารย์ท่านได้ทําอย่างไรท่านก็สอนตามวิถีทางที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาได้ผลอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นเหมือนกับคนเรานี่ยคนหนึ่งก็ขายน้ํามันอยู่ปั๊มน้ํามันขายน้ํามันถ้าไปถามเขาได้สิว่าวิธีหาเงินหาอย่างไร เขาก็วิธีการติดต่อปั๊มน้ามันซื้อน้ามันมาขายน้ํามันได้กําไรเขาเอาเป็นเงินเหมือนกันไปถามอีกคนหนึ่งผมทํานาวิธีทํานาทํำยังไงอต้องปักดํา อ, า, าอย่างนี้ต้องไถนาอย่างนี้ต้องเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอย่างนี้ต้องวานพืชอย่างนี้รักษาอย่างนี้เกี่ยวข้าวอย่างนี้เก็บมาอย่างนี้ผมขายผมก็ได้เงินแต่คนหนึ่งก็บอกผมไปถามพวกกีดยางอีกกีดยางผมปลูกยางอย่างนี้ ขนาดนี้มันจึงพอกียได้เพราะฉะนั้นผมก็ขายอย่างผมก็ได้เงินพอในสุดเป็นข้าราชการแต่และแผนแต่และฝ่ายเราไปถามโดยเรายิ่งงงใหญ่เลยเขาก็ได้เงินหมดแล้วทำยังไงตัวเองจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่านี่แหละการวิธีการหาเงินวิธีการหาธรรมพลักษณะอย่างนั้นละพะวกระมบฐานของพระพุทธญาติท่านวางไว้ทั้งสี่สิอย่างพวกระมบฐานสี่สิบ แต่ตามไม่จริงถ้าย่นยอ่อลงไปก็คือกรรมฐานหนึ่งเท่านั้นเองคือใจเออใจดูใจเออแล้วก็ดูเออใจการเคลื่อนไหวของใจเออถ้าจะย่นยอ่อแต่ถ้ามาขยายออกไปก็คือกรรมฐาน40่เนี่ยกรรมฐาน40เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านให้ยึดสองอย่างคือหายใจเข้าพุทธกับหายใจออกโธสองอย่างที่หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา พาดำเนินเพราะนั้นขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวหลวงปู่มั่นนี่เถอะนะอย่าไปเดินตามสายอื่นถ้าเดินตามสายอื่นเดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยเผลอๆก็เลยไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรกับตนเองผนที่ขุดก็เลยขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอปวกเปียกไปหมดไม่เชื่อในธรรมคำสอนอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่น พยายามทําจิตใจให้สงบบริกรรมพดโถพดโถเอาจริงจังจากนั้นใจเรื่องของพวกเราก็จะเข้าขูสู่ความสงบเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โอ้ความสุขที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่านัตติสันติปรงังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้ริมรสแล้วความสงบที่จิตสงบนี่มีความสุขจริง นี่แหละอันนี้เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านละสังขารไปแล้วจุดติดนิ่พานไปแล้วเราก็ได้พระราชทานเพลิงหรือประชุมเพลิงในสีชลีระของท่านท่านเหล่านั้นก็กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็นเเต็มหูเต็มตาของพวกเราพวกเราน่าจะตายใจพวกเราน่าจะเชื่อถือ น่าจะเคารพในพระธรรมคําสอนที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างไรท่านรู้เห็นอย่างไรท่านก็มาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายตายใจได้ในแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดําเนินเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านในพระในครั่งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าของเรานี่ ถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไม่ติดอยู่ในราชสมบัติท่านยังออกไปบวชตามไม่จริงถ้าคนธรรมดาเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินขนาดนี้โอ้จะมาบวชได้ยังไงพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านออกมาบวชขนาดนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งพระสงฆ์สนทนากันพระพุทธเจ้าได้เจร็จมาในท่ามกลางสงฆ์พระพุทธองค์ถามว่าพระสงฆ์ท่านสนทนากันเรื่องอะไร ที่วัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลอย่างที่ได้สนทนากันพระพระองค์บอกว่าไม่น่าอัจฉริย์สมัยก่อนเรายังสร้างบา ร, รมีอยู่เราก็ยังได้ออกบวชแต่ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราออกบวชไม่น่าอัศจฉริย์เพราะบา ร, รมีของเราแก่กล้าแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข่าที่พระองค์บำเพ็ญอยู่นั้นบา ร, รมียังอ่อนอยู่ได้ ออกบวชเป็นยังไงพระเจ้าคะ่ะพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่เมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองใหญ่เราชื่อมัคคะเทวราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองในกรุงมิถิลาสมัยนั้นคนอายุยืนยืนมากแต่เราพออยู่ด้วยความสุขที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขทุกอย่าง พอต่อมาอีก เ, อเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้น เ, เราไปมองสองหน้าในกระจกไปเห็นผมหงอกเส้นหนึ่งบนศรีรษะเราก็เห็นโอ้ผมเส้นนี้มันหงอกขึ้นมาแล้วบอกถึงความแก่แล้วเราก็ให้นายช่างการบกมาถอนผมเส้นนั้นออกมาดูเราก็ได้ทอดพระเนตรผมเส้นนั้นพอเห็นผมเส้นนั้นหงอกเท่านั้นละ่ะ เราเกิดความสลดสังเวชอย่างใหญ่หลวงเพราะเหตุว่าโอ้ความแก่มายืน่นมาเยือนเราแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราไม่ควรจะอยู่เป็นคราว่าต์อีกแล้วจากนั้นเราก็ได้เรียกลูกชายผู้ใหญ่พระราชโอรสผู้ใหญ่เข้ามารักสังเสียแล้วกขมอบพระราชสมบัติให้กับเขาให้เขาเป็นผู้ดูแลประเทศชาติต่อไปเราก็ได้ออกบวชไปบาเพ็ญอยู่ในอุทยาน ไปบำเพ็ญอยู่อุทยานเป็นฤาษีอยู่ในอุทยานบำเพ็ญตะปะจนได้สำเร็จฌานสมาบัติจากนั้นเราก็เมื่อตายจากในคราวนั้นเราก็ขึ้นไปสู่ผง ม, มโลกนี่แหละอันนี้เมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็ยังเห็นผมหงอกเท่านั้นเราก็ยังเกิดความสลดสังเวชใจเพราะอันนี้คือความแก่ความตายจะมาเยือนเราเร็วเร็วไว เพราะนั้นเราจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นเราจึงได้บําเพ็ญจนได้ไปเกิดบนชั้นผมเมื่อได้ฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมทั้งหลายขนาดพระพุทธเจ้าเห็นเพียงผมงอกเพียงเส้นเดียวพระองค์ยังเกิดความสลดสังเวชเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านถึงจะทําอย่างพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิถิลา อย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็ควรจะอมองดูตัวเองว่าเราหาทรัพย์สมบัติเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็พอมากพอสมควรคงจะไม่รวยกว่านี้ในชาตินี้คงพอมีอยู่มีกินลูกหลานของเขาก็ดําเนินตามแนวแถวที่เราได้เสาะแสวงหาหรือพาดําเนินลูกหลานก็คงจะพาเป็นไปได้เพราะบุญวาสนาบา ร, รมีของคนเราไม่เหมือนกันแต่บัดนี้เอาเถอะเรามาถึงจุดนี้แล้ว เราควรจะเข้าสู่วัดวาศาสนาควรจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาหาหนทางให้กับตนเองเพราะว่าชีวิตของพวกเราไม่รู้จะจากไปเมื่ อ, อไหร่เรามีทุนพอหรือยังเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาเรื่องศีลเรื่องธรรมเราเออพอใจหรือยัง อุ่นใจและอย่างเมื่อเราจากชาตินี้ไปป็โลกภายภาคหน้านั้นเราจะไปที่ไหนเรามีกองทุนละอย่างที่จะไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าอันนี้ให้พยายามถามตนเองอยู่เสมอถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้ถามตนเองอยู่อย่างนี้แปลว่าพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เ, เมื่อเราจากไปก็จะไปสู่ความสุขความเจริญเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมทุกท่าน ได้ไต่ตรองหรือแนวความเคิดวิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีการภาวนาที่อาตมาได้พูดเรื่องพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหเพนนั้นแล้วก็ได้เอาแนวแถวของปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงอู่มั่น มาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสักสองอย่างนี้ก็พวกเราคงจะเข้าใจในวิธีการประพฤติธปฏิบัติอาตมาได้ยกพุทธภาจิตเบื้องต้นว่าสัคกกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขารัตนั ง, ง, นงโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังโสทินานัจันตุปัตวา สัพพทุขาสัพพยาสัพสพโรคาโวปะเมนตุเตด้วยความเคารพในพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมอันประเสริฐของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัพพปัตถะวะทั้งหลายพุกทั้งหลายภัยวิบัติทั้งหลายโรคภัยป่วยของท่านจงสงบระงับ โดยสวัสดีด้วยเดชแหงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเดชบุญบา ร, รมีขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญและก็ขอให้หลวงพ่อของเราประสบแต่ความสุขทางสุขภาพกายสุขภาพจิตและเป็นล่มโพร่มใสของพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานและก็ขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายด้วย บุญบารมีของหลวงพ่อของเราด้วยคุ้มครองกะสิตยารสิ์ทั้งหลายขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานทานสาารสมบัติปราถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปราถนาการที่กล่าวสมโมธนิยกถาสแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเอวังก็มีด้วยปกาละชนี